วิเศษเรื่องนี้เกี่ยวกับชาวนากับหายวิเศษในหมู่บ้านที่ห่างไกลมีชาวนาคนหนึ่งชื่อรามารามาเป็นคนที่ดีและฉลาดเขาเป็นเจ้าของที่ดินหลายเอเคอร์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวนาที่ดีแต่ที่ดินของเขาไม่ให้ผลผลิตเขาเลยในขณะที่ชาวนาคนอื่นๆได้ผลผลิตอย่างดีรามาจะต้องขุดขุดพรวนพรวน แต่ฟากของเขาแห้งแล้งเสมอโอ้รามาทำไมนายพวนดินทุกวันเอยที่ดินนี้นะ่ะมาให้ผลผลิตนายมาหลายปีแล้วนะทำไมนายไม่ขายที่ดินนี้แล้วก็ไปซื้อที่ดินอื่นซะละ่ะโอ้พี่ที่ดินนี้เป็นของบรรพบุรุษฉันพวกเขาเคยทานาบนที่ดินนี้ฉันคงต้องทำอะไรผิดแน่เลยแต่ฉันจะพยายามต่อไปเรื่อย อ๋อฉันชัดก็หวังว่าน่าจะโชคปีนัน้องไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมขายที่ดินเขาใช้เวลาเป็นวันโดยไม่กินอาหารเขากินผลไม้จากต้นไม้เอาและจะข่วนดินทุกทุกวันฉันเจอพรวนดินจนกว่าจะรู้ว่าทำไมที่ดินของฉันถึงไม่ให้ผลผลิตเลยฉันกระลงเล็ดทุกปีแล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยเขามาพรวนพรว น, รวนไปเรื่อย น่เเหือยยมากลรามาพรวนทั้งที่ดินตอนบ่ายแก่ๆเขาก็เลยคิดจะพักตอนนั้นเขาหิวเกินกว่าจะพรวนต่อไปเขากําลังจะหยุดพรวนต่อแต่อยู่ดีๆเขาก็ขุดไปเจออะไรบางอย่างในดินนี่อะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นโลหะเลยนะโอ้ไข่ใหญ่มากอะแปลกจัก ใรนะเอาหายเหล็กมาฝังในที่ลึกแบบนี้มันได้ประโยชน์บากรามาโกรธมากที่ต้องใช้พลังกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เขาเอาอุปกรณ์และข้าวของโยนลงในหายโลหะแล้วไปนั่งใต้ต้นไม้ฉันว่าคงได้เวลาที่จะขายที่ดินแล้วฉันหิวท้องแบบนี้ไม่ได้ที่ดินนี้ก็ไม่มีทางให้ผลผลิตกับฉันรามานั่งหลบใต้รม่มกินผลไม้ที่เขาซื้อมาให้ตัวเอง แต่มันทาให้รามาหายหิวไม่ได้เลยเขานั่งอยู่ตรงนั้นกว่าชั่วโมงคิดถึงที่ดินของเขาและเสียดายเขารู้ว่าเขาต้องขายมันเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องเข้มแข็งแล้วที่ดินของบรรพบุรุษเราจะต้องถูกขายออกไปเราจะต้องปะ บ, บ้านก่อนมืดเมื่อรามาเดินกลับไปที่หาย เพื่อที่จะไปเอาของของเขาเขาตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยใครเอามาวางตรงนี้ฉันก็ดูอยู่ตลอดนี่นะเขาเห็นว่าไห้นั้นมีที่ขุดร้อยอันเหมือนกับของที่เขาเคยมีเขาจําไม่ได้ว่าอันไหนเป็นของเขาไม่มีทางอ่ะนี่มันหายวิเศษนั่นเหรออืมงั้นมาลองอะไรหน่อย เขาเอาที่ขุดดินออกมาแล้วก็ใส่องุ่นลงไปหนึ่งลูกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าองุ่นเม็ดเดียวนั้นกลายเป็นร้อยเม็ดนี่มันคือหายวิเศษชัดๆไม่อยากจะเชื่อเลยเราเอากลับบ้านดีกว่าโอ้โอ้หลักจังหาเชือกมาดีกว่าดรามา่าผูกเชือกไว้กับไหายและที่เอวของเขา หลังจากนั้นเขาก็ลากหายกลับบ้านเมื่อเขาไปถึงบ้านเขาคิดถึงอะไรที่จะเอาใส่หายได้ก่อนอื่นเราเอาไข่ใส่ลงไปดีกว่าเราหิวมากกินได้แต่ผลไม้นิดเดียวเท่านั้นเขารีบไปที่ตลาดเขาใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อไข่หนึ่งฟองเขาเอาไข่ใส่ลงในหายและมันกลายเป็น100ฟองอย่างรวดเร็ว รามามีความสุขมากเขาเอาไข่ไปต้มสองใบอ๋อฉันไม่เคยชิมอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราจเจ้าไข่98บาบใบไปทําอะไรดีเนี่ยอ๋อเรามันไปขายได้นี่แล้วก็ทำเงินได้รามารู้ว่าไหานั้นไม่ได้แค่ให้อาหารกับเขากินเท่านั้นแต่มันหารายได้ให้เขาได้ด้วยหลังจากที่ขายไข่ทั้งหมด รามาก็ใช่ม้อในการทำอะไรหลายๆอย่างเมื่อเขาต้องการผ้าเขาจะโยนผ้าชิ้นเล็กๆลงไปไฮนั้นจะให้ผ้าผืนใหญ่กับเขาขึ้นมาจนทำชุดได้สำหรับ15้าคนเมื่อเขาต้องการเสื้อเขาก็ใส่เสื้อลงไปในไหหลังจากนั้นไยก็จะให้เสื้อกับเขาขึ้นมา100ตัวและรามาเริ่มเอามาใส่ผลผลิตผลไม้เสื้อผ้ารวมไปถึงเครื่องเทศใส่ลงไปด้วยหม้อ น, นั้นให้อะไรหลายๆอย่าง ชาวบ้านก็เริ่มสงสัยในความสำเร็จของรา ม, มาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครจับความจริงได้รามาซ่อนหายของเขาไว้อย่างดีในมุมบ้านใต้ผ้าผืนหนึ่งวันหนึ่งรา ม, มาอยากจะทดสอบหายของเขาเขาเอาไก่ใส่เข้าไปและรอที่จะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มีไก่กระโดดออกมา100ตัวกระพือปีกออกมา บ้านของรามาเต็มไปด้วยไก่มีไก่ไปทุกที่โอ้ทำไมเราไม่ใส่ปลาตายลงไปนะโอ้แล้วเราจะจับไก่ขนาดนั้นได้ยังไง ร, รามาวิ่งไล่ไก่แต่มันมีเยอะเกินไปพวกมันไปยืนบนโต๊ะของเขาบินไปบนโต๊ะอาหารตัวหนึ่งก็บินไปบนหัวของเขาโอ้ออกไปนะไานี่เลยทุกตัวแต่ไก่กลัวแล้วกระจายไปทุกที่ หลังจากนั้นอไม่นะเดี๋ยวสิไก่ตัวหนึ่งบินเข้าไปในหายอีกครั้งและอีกครั้งก็มีไก่100ตัวกระโดดออกมา oh. บ้านเรากลายเป็นเล้าไก่ไปแล้วเราจะทํำยังไงดีเนี่ยหลังจากนั้นรามาก็รีบปิดไหายแล้วเก็บมันไว้ที่มือบ้านหลังจากนั้นเขาวิ่งออกจากบ้านไก่ทุกตัววิ่งตามเขามา ชาวบ้านตกใจมากที่เห็นไก่หลายตัวออกมาจากบ้านของรามาไก่เยอะมากเลยเราต้องใช้หายแน่นอย่างระมัดระวังแล้วรามาไม่รู้ว่าทหารของราชาแอบฟังเขาอยู่เขาได้ยินเรื่องหายและรีบวิ่งไปฟ้องราชาไก่หลายตัวออกมาจากหายอย่างนั้นไม่เป็น ไ, ไรยังไงกัน มันต้องเป็นหายวิเศษแร่เลยารามากับไบยมาทีนี้ทันทีหานั่นจะต้องเป็นของคลั่งหลวงรามารู้ว่าราชาขอหายจากเขาทำไมราชานโลกมากเขาอาจจะอยากรวยด้วยตัวเองก็ได้เอาหานั่นมามันเป็นหายที่ใหญ่มากอืม ไอ้นี่มาทำไมไก่หลายตัวออกมาได้ยังไงกันอ๋อดูหน่อยสิมีอะไรข้างในอไม่อย่านะยาแต่สายเกินไปเมื่อราชาเดินไปเขาลื่นตกลงไปในหายตอนนี้มีราชาทั้งหมดหนึ่งร้อยคนก่อนที่ใครจะพูดอะไรได้พวกเขาก็สู้กันเองมันคือพลังของฉันนะอย่าไปนั่งนะ ไม่ของฉันต่างหากไม่ฉันไปราชาไม่นี่เป็นอาณาจักรของฉันทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยราชาช่วยฉันราชาด้วยเฮ้ยแต่คนหน่อยคือตัวจริงเล้าทหารหาราชาตัวจริงไม่ได้และไม่นานหลังจากนั้นราชาก็ฆ่ากันเองพระราชวังต้องเศร้าที่อาณาจักรไม่มีใครครองราชรามารู้ทันทีว่าไห้นั้นอันตรายแค่ไหน เขารียบวิ่งไปที่หายและโยนมันกระแทกกับื้นตอนนี้เขาเศร้าที่ทำหายนั้นพังไปแต่ตอนนี้เขามีที่ดินที่ทำให้ผลผลิตโตได้และเริ่มใช้ชีวิตแบบชาวนาอย่างพอเพียงและมีความสุข